กานที่มาปารบความเพียรมีการฝึกสติในอิริยาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิริยาบทนั่งอิริยาบทเดินอิริยาบทยืนแต่ถ้าเกิดเราจะปฏิบัติร่วมกันอิริยาบทนั่งก็ เป็นอิริยาบถ ท, ที่ง่ายสะดวกเพราะว่าไม่ต้องกินพื้นที่และเวลาเรานั่งเราก็นั่งหลับตาภาษะที่มาจากทางตาก็น้อยลงไปหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดเป็นยืนหรือเดินมันก็ปฏิบัติ ร่วมกันยากขึ้นก็ต้องใช้พื้นที่แล้วก็ภาษาทางตาก็เพิ่มเติมเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติในท่านั่งแล้วมันจะดีกว่าหรือดีที่สุดอันนี้มันก็แล้วแต่ก็ทำให้มันเหมาะสมกับสถานที่ เหมาะสมกับเวลาให้มันเหมาะสมกับชีวิตของเรานี่ยแหละแต่ว่าถ้าเราจะนั่งอย่างเดียวฝึกสติโดยการอยู่ในอิริยาบถเดินก็ไม่มีอันนี้มันก็จะชีวิตมันจะไม่กล่มกล่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติใน อิรียบทเดินคือหัดเดินจงกรมด้วยมันก็ทำให้ทักษะของเรามันรอบด้านหมายความว่ายังไงถ้าเรานั่งรับตาอย่างเดียวมันก็เป็นการเข้าสมาธิที่ภาษะน้อยแต่ถ้าเกิดเราใช้เดินจงกรม ภาษาที่มันจะเข้ามากระทบใจเรามันก็มีมากขึ้นความคิดที่จะทำงานมันก็มีเยอะขึ้นแล้วยิ่งกับอุปนิสัยของคนสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนมากเวลาเข้าสมาธิแล้วนี่มันก็จะเข้าภวังง่ายวันๆนหนึ่งเนี่ยเราก็ รับอารมณ์ต่างๆมาเยอะทั้งวันการที่เราหลับตามันก็ง่ายที่เราจะเข้าผวางเพราะมันอยากจะพักผ่อนฉะนั้นการที่เราเข้าผวางมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนสมัยนี้แต่ถ้าเกิดเราจะนั่งสมาธิแล้วให้มันเข้าผวังแต่อย่างเดียวเนี่ย มันก็ได้แค่พักผ่อนแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือการที่เราจะเอากําลังหลังจากที่เราได้พักผ่อนแล้วเนี่ยเอาไปใชใ้มันเป็นงานเป็นการเกิดขึ้นงานการในที่นี้ก็คืองานการเกี่ยวกับการพิจิตรพิจารณาต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางเอาไว้ให้ เพราะฉะนั้นการที่เราได้เดินจงกรมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าผวาหวังแต่มันก็อาจจะยากสักหน่อยสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินจงกรมมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าความสงบสบายเกิดขึ้นได้ยาก แต่ไม่ใช่ว่าการที่เราเดินจงกรมแล้วเนี่ยความสงบสบายมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดความสงบสบายเกิดขึ้นแต่เฉพาะการนั่งอย่างเดียวการที่เราจะแก้ทุกข์ให้มันได้ในชีวิตประจําวันมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทุกข์มันมีอยู่ในทุกๆอิริยาบถของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติที่เท่าทันในทุกๆอิริยาบทของเราแต่การที่เราเจะคิดพิจารณาให้มันดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสมาธิปริปาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาซึ่งก็หมายความว่า ปัญญาอันสมาธิอบ ร, รมดีแล้วก็มีผลมากกันที่เราเจอใคร์ครวนพินิพิ จ, จารณากำลังสมาธิกำลังความสงบมันก็เป็นกองหนุนเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยทำงานได้ดีแต่เราจะทำงานเฉพาะตอน เรานั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะกิเลสเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกๆทุกๆเวลาของเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาความสงบให้มันได้ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นนั่งไม่ว่าจะเป็นยืนไม่ว่าจะเป็นเดินหรือแม้กระทั่งนอนนอนพักแต่ไม่ใช่นอนหลับนะ เราก็ต้องพยายามทำให้ใจของเราเนี่ยมีอารมณ์ที่สงบจากโลภะโทสะโมห oh ะระคะมาตั้งมั่นอยู่ในภายในอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธพอมันสงบระงับเครื่องกวนต่างๆที่เรียกว่านิวรณลงไปได้ ใจเราก็ตั้งมั่นอยู่กับเครื่องอยู่ของเรานะ่ได้เครื่องอยู่ที่ว่างก็คือลมหายใจก็ดีพุโทโธก็ดีก็จะตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับเครื่องอยู่อันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องกวนมันยังมีอยู่ความสงบที่มันเกิดมันก็ เกิดได้ไม่ดีผลที่ได้ก็ไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะกำจัด ก, กีดกันเครื่องกวนความสงบที่เรียกว่านิวรณออกไปจากใจอย่างอันหนึ่งที่มันจะเป็นกันมากๆก็คือความฟุ้งซ่านใช่ไหมอุทจจกความฟุ้งซ่าน การที่เรายังปูกใจเอาไว้ในกับเรื่องราวในอดีตเรื่องงานก็ดีเรื่องคนนั้นคนนี้ก็ดีมันก็ทาให้เราต้องตามมาคิดนั่นแหละสงใจออกไปคิดมันก็ฟุ้งไปหรือไม่ถ้ามันเหนื่อยมากความที่มันอยากจะพัก มันก็จะทำให้ธีนมิธะมันทำงานได้ได้ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่กำลังใจเรานรี่ยแหละมันง่วงก็ให้มันง่วงไปเราก็สู้กับความง่วงของเราไปมันอยากง่วงก็ง่วงไปเราก็ไม่ไม่เลิกอ่ะนั่งดูซิว่าเราจะเลิกก่อนหรือว่ามันง่วงมันจะหายไปก่อน ฉะนั้นกําลังใจก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าฟันเครื่องกิดขวางความดีที่เรียกวันนิวรนก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาดึงใจเรากลับมาไว้ที่งานการก็คือพุทโธก็คือลมหายใจ ซึ่งถ้าใจของเรามันไม่หวั่นไหวมีอารมณ์ที่มันไม่สัดสายก็เป็นเรื่องดีเลยแล้วก็พร้อมทั้งสติที่มันแจ่มชัดไม่แช่เชื้อเลือนลงไปไหนก็มันมาพิจารณาร่างกายเรานี่แหละ อันนี้เป็นงานหลักที่เราจะต้องทำให้มันได้ทำให้มันเสร็จงานมันก็มีทั้งงานหลักงานจรใช่ไหมงานจอนก็คือพยายามแก้ทุกจอนไปมีคนเขานินทาเราใจเราก็หวั่นไหวไปตามก็ต้องแก้กันไปตามเฉพาะหน้าหรือว่าไปเห็นเรื่องอะไรที่มันทำให้เราเกิดความ เชื่อมชื่นดีใจเผลอเปลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงเราก็มีสติรู้แล้วก็ดึงใจเรากลับมาไว้ให้มันเป็นกลางอยู่ที่ภายในอันนี้มันก็เป็นงานจรนะงานในแต่ละวันนี่มันจะต้องจรมาทําอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่นอกจากงานจรที่เราจะต้องทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทํางานหลักด้วย งานหลักนั่นก็คือการที่เรามาพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละการพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเป็นร่างกายของเราจริงแท้ไหมพยายามสอนมันให้มันได้ปล่อยๆสอนมันทุกวันย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่ว่าวันนี้ได้พิจารณาแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทำไม่ใช่ ทำจนมันกว่าจะถึงหนองอ้อที่ใจเรานั่นแหละทำให้มันชำนาญอันนั้นคือหน้าที่ของเราเรายังเห็นมันเป็นของสวยของงามอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูล ใจเรายังค้างกับความเป็นจริงอันนี้อยู่หรือเปล่าเราก็จะเป็นผู้ตอบได้ว่าถ้ามันยังค้างเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่อีกก็คือต้องหมั่นพิจารณาให้ใจมันเข้าใจเรื่อยๆแหละว่าอันนี้คือความเป็นจริงนะไม่ใช่เข้าใจแค่เพียงตักกะเฉยๆแต่ให้มันไปเป็นความลึกซึ้ง อยู่ในใจของเราเพราะที่เราเห็นว่าคนคนอื่นก็ดีตัวเราก็ดีก็ยังเป็นของที่น่ารักน่ารักใคร่น่ายินดีพอใจเรายังเห็นว่าคนอื่นก็ดีสัตว์ต่างๆก็ดีหรือแม้แต่ตัวเราก็ดี ก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ถ้าเราพิจารณาให้ดีมันก็เป็นแค่การประชุมกันของธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีสุดท้ายที่เราเรียกว่าคนที่เราเรียกว่าสาัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ม้าช้างวัวควายมันก็มีค่าเสมอกันมีค่าเท่ากันก็คือการที่มันเป็นสิ่งที่เป็นที่ประชุมของธาตุสี่เท่านั้นเองซึ่งถ้าเราพิจารณาเห็นเนี่ยเอาตัวเราก็ดี ช้างม้าหัวควายก็ดีเอามาเข้าไปในถ้าเรามีเครื่องเครื่องสับเครื่องบดอย่างเงี้นะใหญ่ๆเอาเข้าไปได้พอมันสับมันบดออกมาจนละเอียดดีแล้วเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าว่าอันนี้มันเป็นเศษชิ้นเนื้อของคนอันนี้มันเป็นเศษชิ้นเนื้อของมา้าของแมว ของหมูมันก็บอกไม่ได้แต่บอกได้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเลือดนะอันนี้มันเป็นชิ้นเนื้อนะเป็นชิ้นเนือ้อหรือชิ้นส่วนของอวัยวะอันไหนบางทีก็แยกไม่ออกเลยเพราะมันละเอียดมากๆซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าความเป็นจริงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงที่ มันเท่ากันมันเป็นสิ่งเท่ากันคือเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุ ส, สีเพียงแต่ว่าเราสมมุติเรียกว่าแบบนี้นะอันนี้เาเรียกว่าคนถ้าแบบนี้นะเราเรียกว่าหมาแบบนี้นะเรเรียกว่าแมวแบบนี้นะเป็นนก มันก็เป็นความจริงแบบหนึ่งนั่นแหละแต่มันเป็นความจริงในระดับของของสมมุติซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสมมุตินั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นสมมุติที่ว่าจะเป็นสัตว์แบบไหนก็ตามเป็นคนก็ตามมันก็มีจุดเชื่อมโยงอันเดียวความจริงก็คือว่ามันก็เป็นส่วนประกอบกันของเลือดเนื้อ อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราจะพูดให้ง่ายก็คือมันเป็นที่ประชุมกันของธาตุสีเอาไฟเผาไปมันก็เท่ากันหมดอันนี้หมดเท่ากันทางตาที่เราเห็นได้นั่นแหละก็กลายเป็นกองขี้เท่ากองหนึ่งเท่ากันก็ลองสอนมันเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้มันคืองานหลักที่เราจำเป็นจะต้องให้ใจเรามันเข้าใจใได้ มันจะได้ถอดถอนเอาความรู้สึกในใจที่ว่าอันนี้คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกไปจากใจอันนี้เป็นงานสำคัญของคนที่ไม่อยากจะกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกไม่อยากที่จะกลับมาเวียนบนอยู่ในสังสารทุกข์อันนี้อีกเราบอกเราจะแก้ทุก จากหูแก้ทุกจากตามันมันเป็นปลายปลายเหตุไปแล้วเราจะไปแก้ให้ใครผู้ถูกใจเราหรือว่าเห็นในสิ่งที่เราพอใจอย่างเดียวแล้วเราจะไม่ทุกข์อันนั้นมันมันมันแก้ลำบากเพราะฉะนั้นงานหลักอันนี้ก็คือเป็นงานจำเป็น จะทำให้เราตัดทอนงานไม่จำเป็นออกไปได้เยอะถ้าเราเปรบเหมือนเป็นต้นไม้ต้นไม้มันก็มีหลายกิ่งหลายก้านนั่นแหละแต่ละกิ่งแต่ละก้านมันก็มีใบใช่ไหมซึ่งถ้าเราบอกว่าไอ้ใบมันร่วงหล่นลงมาเต็มพื้นเราต้องคอยกวาดทุกวันทุกวันมันก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราไม่อยากกวาดเนี่ย เราก็จะไปคอยเด็ดแต่ใบนั้นออกเด็ดใบนี้ออกตามเด็ดทีละใบเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งกวาดสำหรับใบนั้นน่มันก็ใช่ที่ใช่ในสิ่งที่เราทำก็คื อ, อถ้าเราตัดกิ่งใหญ่ออกไปได้มันก็ลดปริมาณใบไม้ที่มันจะร่วงหล่นลงมาหรือถ้าจะให้ดี เราตัดมันทั้งต้นเลยมันก็ไม่ต้องกวาดอีกแต่แน่นอนว่าถ้ามันยังมีเชื้อของการเกิดไอ้ต้นไม้เนี่ยถึงมันตัดแล้วเหลือเป็นตอมันยังมีตาของมันแล้วมันก็งอกขึ้นมาได้เนี่ยค่อยๆงอกขึ้นมาได้เสด็ยว่าไอ้งานที่เราทําเนี่ยมันยังจบไม่ดียังไม่ประณีต ย, ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพ้การที่เราดีใจแค่ว่าเราได้ตัดต้นมันออกไปแล้วแล้วก็นอนใจที่ว่ามันคงไม่มีใบไม้มารำควานใจให้เราต้องกวาดอยู่ทุกวันทุกวันแน่นอนแหละช่วงนี้มันอาจจะไม่มีแต่ถ้าเกิดมันยังมีทางให้มันรอดอยู่มีตาไม้ที่มันยังสามารถที่จะแตกยอดแตกหน่อออกมาได้อีก แล้วเราก็เผลอเราไม่ได้ใส่ใจมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาอีกได้พอโตขึ้นมาอีกมันก็มีกิ่งก้านมีใบแต่มันก็ล่วงหลดเหมือนเดิมเราก็ต้องกลับมากวาดอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไหนๆที่เราได้เกิดมาเราได้เรียนรู้วิธีที่เราจะถ้าเปรียบเทียบก็คือ โค่นต้นไม้ไม่เพียงแต่โค่นต้นไม้เรารู้ว่าเราจะต้องโค่นมันให้ถึงรากเลยขุดรากขุดต่อมันขึ้นมาพอเราทำอย่างนั้นได้มันก็จะจบงานแหละจบงานจริงๆแต่การที่เราจะตัดกิ่งก็ดีตัดต้นก็ดีหรือถอนรากมันขึ้นมาก็ดีอันนี้คืองานหลัก งานหลักของเรางานหลักในการพิจารณาให้เห็นว่าอะไรเป็นเราถอดถอนความเป็นของเราออกไปจากใจแต่แน่นอนแหละเราอยู่บนโลกใบนี้อยู่กับสังคมมันก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในวันวันหนึ่งอ่ะมันมีมาก เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมันจำเป็นต้องทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่เราจะหยุดอยู่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวอยู่ยเรื่อยๆอยู่ตลอดเนี่ยไม่ได้เราจาเป็นที่จะต้องหาเวลาที่จะลดภาระของงานภายนอกลง งานภายนอกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่างานหาอยู่หากินนะหมายถึงเรื่องงานที่จะเกี่ยวกับทางจิตใจนี่แหละภาษะที่มันจะมาล้นทะลัก์แล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจของเราให้เราต้องคอยตามแก้อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องคอยที่จะลดภาระงานข้างนอกลงแต่งานภายในนี่แหละ มันก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพที่เราจะจัดการงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะการที่เรามีความรู้มีความเห็นเกี่ยวกับงานหลักงานภายในได้ดีเราก็จะเห็นเห็นถึงความไม่มีสาระ เห็นสารเห็นถึงความที่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเที่ยงแท้พะเราทำงานหลักตรงนี้เนี่ยความรู้ความเห็นด้านนี้เรามีมากขึ้นเนี่ยเราก็จะให้อีกสาระสำคัญกับเรื่องภายนอกนลดลงไปด้วยเพราะว่าตัวเราก็ดีตัว คนอื่นก็ดีมันก็เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ดีมันก็แบบเดียวกันความมีสาระหรือความไม่มีสาระมันก็มีคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการกับงานภายนอกได้ดีดีขึ้น เพราะว่าเราไม่เห็นถึงสาระเกี่ยนสารแม้ว่าในตัวของเราก็ดีในตัวของสิ่งอื่นๆคนอื่นๆก็ดีพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็กระทบใจเราอยู่แต่ความรู้ความเข้าใจที่เราได้จากงานหลักอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะความที่เราเห็นแล้วว่า สาระแก่นสารในเบื้องต้นในถ้มกลางในที่สุดของมันอยู่แค่ไหนเป็นยังไงมันอาจจะมีสาระแก่นสารในระดับที่ต้องใช้ในสมมุติโลกแต่มันไม่ได้มีสาระแก่นสารที่มันจะไปใน่้มกลางในที่สุดทำให้เราเหมือนกับว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปกับมันด้วย มันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นเอ็นงานภายในงานหลักที่เราทำในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเราก็ดีความเป็นปฏิกูลก็ดีความเป็นธาตุสีก็ดีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเอื้ออานวยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยทตาเม่เราไม่เห็นถึงสาระแก่นสารที่มันเที่ยงแท้สำหรับสิ่งภายนอก ใจเราก็จะไม่ไปผูกยึดผูกติดหรือเพลอเพลินไปกับสิ่งต่างๆในแบบเก่าในมากเท่าเก่าในระดับที่มันมากเท่าเก่าแต่ก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าถ้า เราเป็นคนที่เข้าสมาธิโดยอิริยาบถนั่งแล้วเราก็จะเข้าพวังอยู่ น, น, นานๆเข้าพวังง่ายออกจากพววงแล้วก็หมดกาลังใจก็จะนอนละถ้าเรามีจริตนิสัยแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นที่จะเดินจงกรมให้มากขึ้นเพิ่มสัด ส, ส่วนที่เราจะได้ พิจารณาเพราะว่าการที่เราเดินจงกรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าภวังพอมันไม่ได้เข้าพวังโอกาสที่เราจะนําใจนําจิตของเราเอามาใช้ในการพิจารณามันก็มีโอกาสมากขึ้นมันจึงจําเป็นที่เราจะต้องพยายามบริหาร สัดส่วนในการที่เราจะเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาในอิริยาบทต่างๆให้มันเหมาะสมกับตัวเราถ้าเรารู้ว่าเรานั่งแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าพวังมีสติแจ่มใสอยู่ตลอดแล้วก็พิจารณาตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ก็ มีความแจ่มแจ้งดีในอิริยาบถอันนี้อันนี้ก็ก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องปรับเปรี่ยนอะไรมากในอิริยาบถนั่งของเราแต่ถ้าเกิดว่านั่งแล้วมันเข้าพะวังไม่ได้พิจารณาจะนั่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็โอกาสที่เราจะนาใจมาพิจารณาในอิริยาบถนี้มันน้อยอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจาเป็นจะต้องเพิ่มสัสดส่วน ในการเดินจงกลมของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะถึกๆไปอยู่แค่แบบนี้แบบเดียวตัวที่เราไม่ัดสังเกตว่าเราจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพได้ดีตัวเราเองนี่แหละจะเป็น คนที่รู้ดีที่สุดข้อดีข้อด้อยของเราเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะอยากที่จ ะ, ะสมมติเราอยากจะนั่งอย่างเดียวไม่อยากเดินเท่าไหร่แต่นี้เมื่อผลที่มันได้สำหรับการนั่งแล้วมันเข้าผวังสมากมันก็ต้องฝืนใจไปเดินเอา แต่พอไปเดินแล้วบางทีมันอาจจะรู้สึกขัดใจว่าเอ้ามันไม่งียบมันไม่สบายเหมือนขณะตอนที่เรานั่งอันนั้นเราก็ต้องค่อยๆปรับชั่วโมงบินของเราไปการที่เราเดินแล้วใจสงบสบายมันก็เป็นเรื่องที่เขาทำกันกันได้อยู่แล้วท่านผู้รู้ท่านผู้ทำได้พานที่ผ่านไปแล้วเนี่ย เขาก็ทำกันได้อย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยตอนเช้าก็เดินจงกรมสายหนึ่งตกสายก็ไปเดินจงกรมอีกสายหนึ่งตอนหัวค่ำก็เดินจงกรมอีกสายหนึ่งมีทางจงกรมสามสายพอค่าแล้วเนี่ย เติจงกรมสายที่สามเสร็จแล้วก็จึงค่อยเข้าที่นั่งภาวนาเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้ท่านนิ้นเตินจงกรมสัมากแสดงว่าท่านก็ได้ประสิทธิภาพในการภาวนาดีจากการที่เดินจงกรมอย่าง หลวงปู่ครูบาอาจารย์บางท่านก็นั่งได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรก็มีอันนี้ก็ตามแต่จดิตนิสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าต้องให้มันกลมกลม่อมทั้งด้านความสงบแล้วก็ทั้งทางด้านการพิจารณาถ้าเรานั่งแล้วสงบแต่ไม่ได้พิจารณาเราก็ต้องฝืนที่จะมาเดินเพื่อจะ ได้พิจารณาได้เขียนใจออกมาทำงานบ้างอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์การพิจารณามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะดูแต่ลมหายใจแล้วก็มีความสุขในสมาธิแค่นี้มันไม่พอที่จะพ้นทุกข์แต่แค่นี้มันพอที่จะทำให้เรามีความสุขไหมมี แต่มันไม่สามารถที่ทำให้เราพ้นทุกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปลายทางมันก็เป็นได้แค่พรหมชั้นใดชั้นหนึ่งความสุขของพรหมมันก็มีความสุขดีอยู่แต่สุดท้ายความทุกข์ในระดับของพรหมมันก็ยังมีเหมือนกันหมดบุญจากพรหมแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรก็กาหนดไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็จาเป็นที่จะต้องพิจารณานะที่จะถอดถอนสุดท้ายก็จึงต้องถอดถอนถึงรากเหง้าต้นตอคือความไม่รู้ถอดถอนให้มันได้ออกจากใจถ้ามันถอดถอนความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ออกจากใจมันก็เหมือนกับเราได ทำงานครั้งสุดท้ายก็คือการที่เราได้ถอนไอตอตอไม้ถอนรากออกมาความเกิดใหม่มันก็จะมีไม่ได้เพราะว่ารากมันโดนขุดออกมาแล้วโดนถอนออกมาแล้วเพ็นั้นก็ต้องพิจารณาเรื่อยๆงานหลัก ก็ต้องพิจารณาต้องทำงานจรในระหว่างวันที่เราจะต้องโดนผัสสะนู่นนี่นั่นพิจารณาหาอุบายที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์เยอะทำยังไงกับกรณีแบบนี้พิจารณาแบบนี้แล้วทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายปล่อยวางได้เร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำให้มันควบคู่กันไป ไม่ว่างานหลักไม่ว่างานจอนจะเราทำงานหลักได้ดีมันก็เอื้อที่จะทาให้งานจรของเราทาได้ง่ายขึ้นด้วยแต่พื้นฐานก็คือต้องมีสติมีสติที่มันแจ่มชัดเท่าทันกระแสของใจไม่แช่เชื้อเรือนหลงไปไหน มีสติที่คอยเห็นกายอันหนึ่งที่ไม่ใช่เรามีสติเห็นใจอารมณ์ในใจอันหนึ่งมันจะเผยไปตางความคิดแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วเราก็ดึงมันกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจที่พุทโธเราก็สู้กันอยู่ที่ตรงนี้แหละ สู้ที่เฉพาะหน้าเรานี่แหละเราจะได้มีที่ที่เราจะรู้ว่าเราจะสู้ตรงไหนสู้ตรงไหนที่ทำให้เราสามารถที่จะสู้ได้อย่างดี